คนนี้เป็นคนทำเว็บไซต์อะไรนะพิกซูนี้ละนามมาเลยตอนหลวงพ่อไปเจอเว็บไซต์เขามาคุยอยู่ในพันทิ ป, ปเจอเว็บไซต์เขานะไอ้ทั้งเว็บไซต์มีอยู่เรื่องเดียว <c oughs> แถมเบียยังคิดว่าไอ้เรื่องพิกซูนี้ละนามเนี่ยเป็นเรื่องจริงอีกเป็นประวัติครูบาอาจารย์เฮ้ยมันนิยายน <c oughs> เลยให้เรื่องไปลงเรื่องเรื่องบันทึกไม่รับของ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 ถ้าสมมติเรียกว่าพระอรหันต์ทำไมต้องสมมติก็จริงๆคำว่าพระอรหันต์มันก็สมมตินั่นแหละให้เราภาวนาไปนะภาวนาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยๆไปอย่าเอาแต่คิดเอาเองคิดเอาเองมันก็นี่กายเรานี่ใจเราเอาเข้าจริงมันไม่มีตัวเราเคยเล่าให้พวกเราฟังว่าตอนเด็กๆหลวงพ่อเล่นกับเพื่อ น, นวิ่งไล่จับ ใครถูกจับตัวคนนั้นแพ้นะต้องเป็นฝ่ายไล่เขาเรียกอะไรนะลืมไปแล้วที่ทำมืออย่างเนี้ยเออน้อยออกอะไรเนี้ยเออลืมไปนานแล้วสุดท้ายต้องเป่ายิ้งฉุกเฉื่อยสองคนอ้าวเราเป็นคนไล่ก่อนเราก็ไล่วิ่งไล่จับมาจับปุ๊บนะมันยอมแล้วมันเป็นฝ่ายไล่ทีนี้หลวงพ่อวิ่งไล่จนเหนื่อยแล้วเราไม่วิ่งแล้วเราก็เดินเร็วๆหน่อยหลบๆหน่อย ช้างมาพ월อื่นนะมังตลกคลุ้มเลยความมือเรา Resources จับตัวเรียกได้แล้วนั่นอิ oter งจับมือ onces BRCE kinds of planets มันชักงงมันโดดร่วบเอ็วล่ะเลยนี่เองจับเอ็วตั้งหากไม่ได้จับตัวมันจับเข้าตรงไหน politik ขาตัวย์หาตัวไม่เดิมจับจับตรงนี้จับพ่อมือ nanas จับแขนใช่ไหมจับไ сидis Modal Pace จับไ הכ จับซ่อม มันเซอร์ไปเลยนะบอกมันก็ตัดสินใจเด็ดขาดชี้หน้าเราไอ้ขี้โกงหน่อยให้เราพูดเป็นปลมรมาณมันว่าเราขี้โกงจริงๆตัวมันไม่มีหรอกสิ่งที่เรียกว่าตัวไม่มีจริงหรอกนะแค่แค่รูปประธรรมนำมาทำขึ้นมาเท่านั้นเองเราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงเหล่านี้แหละเรียนแล้วเราจะได้อะไรเราจะได้ความผลทุกนะวันใดที่ไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจกายกับใจนี่แหละตัวทุก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 ฝึกมากเข้ามากเข้าใจเป็นกลางเห็นเลยตัวเราไม่มีใจยอมรับได้ตัวเราไม่มีนั่นก็เป็นพระโสดาบันนะพวกเราบางทีก็ชอบคิดเอาเองเรื่องภาวนาชอบนึกเอาเองไม่เรียนให้ดีก่อนอยากคิดว่างชวะต้องทำสมาธิก่อนถึงจะเดินมปศนิพพานได้เมื่อเช้าก็บอกสติสติแล้วนะขนาดสมัยพุทธกาลนะคนที่ทำสมาธิก่อนแล้วได้ของเล่นได้อะไรขึ้นมานเป็นคนส่วนน้อย หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่คือพวกที่ไม่ได้ชาญันคนธรรมดานี่แหละหรือบางคนก็คิดว่าเบื้องต้นต้องดูกายก่อ น, นเบื้องปลายก็ไปดูจิตนั้ น, นก็เป็นประสบการณ์เฉพาะตัวนในความเป็นจริงนะผู้ปฏิบัติรู้กายก็ได้รู้เวทนารู้จิตได้ทั้งนั้นรู้ธรรมก็ได้ท่านถึงจะเปรียบเทียบสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเหมือนประตูเมืองเมืองนี่เหมือนนิพพานเทียบนะ บอกมีประตูสีคิดระเวลาบา itch ศิทย์จะเข้าประตูไหนก็เข้าเมื่องได้ Ouais งั้นบางท่านนะถึงที่สุดด้วยการรู้ไก่เลยรู้ไก่ไปเรื่อยจนมรณ์นาธิสุดท้ายเลยคอพระนนุ advertisements บางท่านรู้เวธนาอย่างพระสาริบุทธนะบางท่านดูจิตอย่างพระอนุรุธนะบางท่านรู้ด้วย Tab ิ Cantig С acerca กายเวธ opportun าจิตธา이� steps ม, มีทั้งนั้นมีทุกรูปแบบ ดังนั้นอยู่ที่ว่าใจเราตั้งมั่นขึ้นมาจริงไหมตั้งมั่นขึ้นมากับทรงฌานเนี่ยไม่เหมือนกันจิต ท, ที่ทรงฌานอาจจะไม่ตั้งมั่นจริงก็ได้หรือตั้งมั่นแล้วไม่เกิดตัญญาก็ได้ส่วนจิต ท, ที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้กายรู้ใจเนี่ยอาจจะไม่ได้ฌานก็ได้นะคนละอันระหว่างฌานกับจิตที่เป็นสมาธิหลวงปู่เทสึสอนแยกกั น, นในนี้มีลูกศิษย์หลวงปู่เทสร่วมสมัยกับหลวงพ่อหลายคนอาจารย์สุรพล มีพี่ไวัยวันนี้ลูกศิษย์หลวงปู่เทศมาด้วยกันหลวงปู่เทศสอนเรื่อยเรื่อยเรื่องฌานกับสมาธิฌานเนี่ยจิตสงบเฉยเฉยนะพักผ่อนสมาธิเนี่ยจิตเดินปัญญาได้จิตทรงตัวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นท่านสอนสองอย่างท่านสอนจิตกับใจจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งพอมันคิดนึกปรุงแต่งเรารู้ทันนะมันก็เข้ามาเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยค่อยฝึกค่อยฝึกไป ตรวจการบ้านเล็กน้อยต่อไปนี้จะตรวจการบ้านน้อยน้อยแล้วเราแก่แล้วสวดมาให้เยอะแล้วไปฟังซีเดียลมีทุกคำตอบเลยเชิญพวกอยู่วัดครับน้ำมันสการหลวงพ่อครับที่หลวงพ่อบอกว่าอย่างผมยังติดนิ่งนิ่งอยู่ข้างในครับทีนี้ได้มีโอกาสคุยกับแม่ชีนุษนะครับแล้วก็ปกติมันใช้ลมหายใจเป็นแบบ ก, กล่าวใช่ไหมครับก็เหมือนเป็นตัวรู้ตัวหนึ่งทีนี้แม่ชีให้ดูตัว ถอดออกมาแล้วก็ดูดูตัวที่มันไหลเข้ามาก็เหมือนมีตัวรู้ตัวอีกตัวหนึ่งมาดูตัวรู้ตัวรู้ก็เป็นลมหายใจก็เป็นผู้ถูกรู้แทนเออเป็นของถูกรู้ครับก็ก็โล่งขึ้นครับลมก็คลายออกครับผมค่อยค่อยคลายแล้วก็ทีนี้มันรู้สึกเหมือนกับว่าพอพอพอมันเริ่มเริ่มคลายก็เหมือนกับว่าไอ้ตัวตัวสัมผัสผัสสะทั้งหลายครับที่มีความคิดอะไรเนี่ยมันเวียนอยู่รอบรอบ เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ที่มันเหมือนมีตัวผุดเข้ามาตรงตร ง, ตรงกลางตรงกลางเนี่ยนะครับ ừ ừ, แล้วก็มันเหมือนกับน้ำที่ค่อยๆผุดขึ้นมาแล้วหายไปเลยเ<อ>จำสภาวะไม่ได้ว่าเป็นตกใจหรืออะไรสักอย่าง<อ>านะครับก็คือบางครั้งก็ขึ้นมาเยอะบางครั้งก็ขึ้นบางครั้งก็แทบไม่ขึ้นมาเลยอืมครับาอารมณ์มันแรงบ้างอารมณ์มันเบาบ้างนะมันผุดขึ้นมาอย่างนั้นแหละครู บ, คร บ, บาอาจารย์เคยสอนนะอย่างกระทั่งอาจา ร, รย์มหาบัวถ้าบอกทำแท้ผุดขึ้นกลางอก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 คือคือก็แค่เห็นเห็นสิ่งที่ถูกทับนั่นใช่ไหมครับใช่ผมเห็นขึ้นมานิดหนึ่งแต่ก่อนไม่เคยเห็นเลยนะแต่ก่อนเราทับลูกเดียวเราเห็นแต่หินที่ทับยากแต่นี้เราเริ่มมีตามีเอ็กซาเลตัลุลงไปแล้วดีภาวนาไปอย่าไปกดให้นิ่งกดให้นิ่งไม่มีปัญญาไม่เห็นใช่ไหมครับกดให้นิ่งไม่เห็นอะไรหรอกสิ่งที่อยู่ใต้จิตสำนึกอะไรอย่างงี้ไม่เคยเห็นหรอกถ้าไม่กดแล้วมันทำงานขึ้นมาได้ดีได้แล้วตอนตอนตอนนี้นี่มีอะไรที่ต้องเอากลับไปทำเป็นการบ้าน ก็ต้องไปเลิกกวดให้ได้นะ Tim Cyucklehead หรอไมฮึก t ชมส accreditation ต้องเลิกตัวนี้ได้ก็บูนข Gear description ปัญญาจะเกิดอย่างรวดเร็วเลยคนที่ท compile สมาที่มานานนะ corrid instruments จะเกิดปัญญารวดเร็วเลยจิตจะโลดผลมากแล้วเราต้องระหวังนิดหนึ่งต้องถือสีนไว้ก่อนคนที่เคยทำสมาที่นานแล้วพอเลิกเพลงนะชั่วร้ายอีกกว่ שנ ธรรมดาอย่าง откρο Hafen S <S มันเคยนิ่ง <S <S เคยสบายคราวนี้ตุ๊กแกไม่ได้อยู่ในรูอย่างเดียวแล้วออกมาเพ่นพ่านนะกระโดดเกาะคอคนนู้นคนนี้เลยไปดูนกกหน้าตุ๊กแกในใจเรานี่แหละที่ที่ที่ผมใช้วิธีการเดินที่หลวงพ่อให้ให้เดินจงกรมอะครับแล้วก็แต่ก่อนเดินนี่ก็จะเป็นลักษณะของรูกแค่เก้าใช่ไหมครับ <S 1> <S 1> <S <S มีอก่อนนี่รู้สึกว่าการเดินมันเดินไปทั้งตัวอย่างเงี้ยนี่คือใจเราเป็นคนดูเหมือนที่แม่ชีบอก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 แต่ตอนนี้เบาลงเมื่อกี้นั้นมันเกินจริงมันรักษาสภาวะไวค่ะกลัวไม่ดีจิตไม่ถึงฐานด้วยนะค่ะดูออกไหมมันรู้สึกไหมมันเข้ามาไม่ได้ค่ะมันรู้สึกว่าข้างในมันมัวข้างนอกมันใสแล้วดูยังไงข้างในเนี่ยก็มันก็จะมีชั้นอยู่คือถึงแม้มันใสข้างนอกมากจนใกล้ตัวขนาดไหนแต่ข้างในเนี่ยมันก็ยังมีชั้นอยู่มันไม่ถึงมันติดกำแพงไว้เราไปสร้างกำแพงไว้อันหนึ่งแล้วก็คอยรูป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 พิจารณาตัวเองก็คือรู้หลักการภาวนาแล้วเหลือแต่ทำให้ต่อนเนื่องไปดูโลภะด้วยค่ะต่อนเนื่องอย่างเดียวไม่พอต้องไปดูโลภะก็ภ า, าวนาค่ะว่าจะมีวินยัยพรรษานี้มีวินัยในการทำรูปแบบใช่ไหมทำไม<ล>มันน้อยนนอมากทำไมเอาพรรษาเดียวคืออย่างน้อยตั้งใจว่าพรรษานี้นี่จุนจะมีขันติในการในความสงสยัยคือพรรษานี้ทั้งพรรษาจะไม่ถามหลวงพ่อเลยค่ะไม่ฉลาดเลยตั้งใจอย่างนั้นถอนเสื้อ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 ให้มันนอนไปบ้างมันไม่นอนเลยค่ะอายามากินให้หลับไปเสียตื่นให้มันพักบ้างขาดจิตมันไม่ยอมมันจิตเป็นเบิกบานบางคนภาวนาผ่านช่วงนี้ไปนะเบิกบานอยู่นานหลายวันเลยบางคนเบิกบานตั้งเดือนหนึ่งเพราะพระพุทธเจ้านี้ท่านทรงอยู่ที่สี่สิบเก้าวันแต่สี่สิบเก้าวันนี้ท่านพักผ่อนบ้างท่านเจริญปัญญาบ้างในช่วง อาทิตย์ที่สี่ที่ห้าอะไรเงี้ยท่านพิจารณาพิธรรม、mm hmm. ตอนตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยยังไม่เกิดชาปนนลังศีตอนท่านพิจารณาปัจจัยาการเนี่ยเกิดชาปนนลังศีขึ้นมาเพราะชาปนนลังศีเนี่ยเกิดทีหลังการตรัสรู้อีกกินยาเลยเหรือค ะ, ะพักบ้าง <laughs> ม, มันไม่นอนเลยคะ่ะจนได้นานนะมัน alert เ, เกินไป <laughs> ทำสมาธิไปก็ได้พุโทโธพุโทโธไป ระวังไม่ให้ปีติครอบงำจิตนะทำสมถะจิตต้องการพักแล้วตอนนี้มีคนขับรถสง่งใช่ไหมขับรถไปกรุงเทพเออเดี๋ยวขับเองนะวันนี้ขับเองไม่ได้เดี๋ยวมรณะภาพเร็วไปตอนนี้สบายสบายค่ะแต่คิดว่าจิตมันคงไม่ตั้งมัน่นมันก็เลยไปจินไปกอดอยู่ ข, ข้างนอกแล้วไปนิ่งนิ่งอยู่นิดนึงดูออกไหม ข้างในมันนิ่งใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีอันหนึ่งที่มันจะสุดสบายแล้วมันไปเจ้าแล้วก็ไม่เพลินหลวงพ่อทำหน้าให้ดูมันจะเหมือนไหมนิ่งข้างในนิ่งข้างในนิ่งข้างนอกสว่างเป็นเพราะว่าจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีสมาธิหรือเปล่าคะหลวงพ่อจิตไม่ตั้งมั่นจิตมีโลภะในการปฏิบัติจิตมีความท้อแท้ท้อถอยในการปฏิบัติมีหลายตัวนะอยากทำด้วยท้อด้วยนะ มีหลายตัวปนๆกันอยู่ไปดูเอาเองได้ยินแล้วตื่นเต้นนะว่าตื่นเต้นแล้วกดไว้นิดนึงค่ะถูกควรจะแก้ไขเพิ่มเติมอะไรบ้างคะหลวงพ่อไม่แก้หน้าไปหางานบ้านทำค่ะอยู่บ้านได้ทำงานบ้างไหมไม่ค่อยค่ะลองดูลองทำดูเคลื่อนไหวไปทำงานไปเราเห็นกายเป็นทำงานเห็นจิตเป็นทำงานเราดูค่ะแล้วควรจะมาส่งการบ้านอีกครั้งเมื่อไหร่คะหลวงพ่อมีโอกาสก็มาสินะ แต่มาแล้วจะได้ส่งหรือเปล่าก็ยังไม่แน่หลวงพ่อจนเป็นยาจริงๆเลยเรื่องนี้ที่ไปกดไว้นะจิตโมวารู้สึกไหมมีโมหะจะให้รู้ปวดท้องจดๆปวดท้องดูไปร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งท้องอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งไปดูอย่างนี้นะแล้วความปวดจะลดลงเวลาเราปวดท้องนี่ผู้หญิงนะ บางคนมีรอบเดือนมีอะไรปวดท้องมากเลยพอเจริญสติเป็นนะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะบางคนหายเลยความปวดนี่มันถูกใจของเราขยายให้มากกว่าความเป็นจริงปวดจริงจริงมีแต่ไม่มากแต่ปวดที่เราสร้างเติมขึ้นมานี่มีเยอะเลยหลายสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นบางคนภาวนาแต่ก่อนจะรู้ตัวเป็นนะอย่างเวลามีรอบเดือนอะไรที่มันต้องกินยาภาวนาเป็นแล้วไม่ต้องกินยาเลยปวดนิดๆหน่อยๆ นี่สมมติเราปวดท้องหรือเราไม่สบายหรืรออะไรเนี่ยคอยรู้สึกเรื่อยเรื่อยเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นความเจ็บปวดอยู่ส่วนหนึ่งใจเราเป็นคนดูไว้นะมันจะหายไปเยอะหลายสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรนะยกเว้นโรคจิตอ่ะต่อไปเบอร์หกสิบสี่กลับนมัสการหลวงพ่อค่ะไม่ได้มากราบหลวงพ่อหลายเดือน เมื่อวานทราบว่าได้มีโอกาสมากบราบหลวงพ่อมันก็คิดสารพัดว่าจะถามหลวงพ่อยังไงจะสื่อหลวงพ่อยังไงที่จะได้คำตอบที่จะแก้ไขตัวเองนะแล้ว /dom รู้สึกว่าสรุปว่าตัวเองในช่วงที่ผ่านมามีแต่อคุสนมากมายดีสิมีตัณหาอยากอยากสารพัดจนว่ามันเกิดโถสาวดุริแรงแล้วก็ หลังเลสงสัยมากแล้วก็วิตกกังวลเก่งนี่เห็นกิเลสตั้งเยอะเลยแล้วมันมีตัวยืนที่ดูมานานแล้วก็ไม่ทราบว่าเพราะที่เรียนหลวงพ่อเมื่อกี้มันทำให้เกิดอาการจิตที่ต่อต้านไม่ยอมให้ทำตามรูปแบบไปดูจิตมันมีโทสะน ะ, ะพอนานแล้วมันมีโทสะแทรกเข้ามาเราคอยรู้ทันเอารูปแบบจำเป็นนะ ทำเป็นแต่ว่า<ะ>อย่าไปคิดว่ารูปแบบทำแล้วจะลำบากทำลำบากใจมันไม่เอาแล้วไงล่ะเพราะตอนแทบจะ ว, ว่าที่ผ่านมานี่ทำตามรูปแบบแทบไม่ได้เลยมันจะต่อต้านตลอดเวลาเหมือนว่ามันมันขัดขืนนะคะเราดูใจที่ต่อต้านนะเท้าก็เดินไปใจดูใจที่ต่อต้านไปเดินเล่นๆไปอันนี้ไม่ใช่เพ่งใช่ไหมคะไม่ได้เพ่งหรอก ถ้าเพ่งไว้ไม่เห็นกิเลสเยอะอย่างนั้นหรอกเม <Okay. S 1> ื่อเพ่งเรารู้รู้สึกว่าเราเป็นคนดีนี่กิเลสเยอะแยะเลย、mm hmm. รู้สึก <Okay. S 1> ไหม <Okay. S 1> นี่เราเห็นกิเลสแล้วเนี่ยใจเราไม่เป็นกลางปัญหามอยู่ตรงนี้ใจมันมีโทาสะแทรกไม่ชอบเลยอยากจะดีๆอยากจะสุขๆขึ้นมานะไม่ชอบกิเลสถ้ากิเลสเกิดแล้วก็ให้รู้ว่ากิเลสเกิดกิเลสเกิดแล้วไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบนะมันไม่ยอมเดินจงกรม จิตใจไม่ยอมเดินเราก็รู้ว่ามันไม่เดินแต่ขาเราก็เดินไปเรื่อยๆเดินเล่นๆไม่ได้เดินหวังว่าจะดีจะสุขจะสงบอะไรเดินเล่นๆแกล้งมันบ้างคือจริงๆแล้วมันมันอยากทำตามรูปแบบมากและติดที่จะทำรักที่จะทำแต่ว่าพอเริ่มเจาะลงไปปั๊บมันก็จะเดิมจะเดิมเรา <แก S 1> เพ่งไว้มากเลยเพอมันหลุดออกมาเราขยาดมันเรากลัวมันนะไม่กล้ากลัวมันจะกลับไปติดเพ่งอีกอะไรเงี้ยใจมันจะไม่เอา ตอนนี้ทำได้นะถึงช่วงนี้แล้วทำสมถะได้แล้วเพราะเรารู้แล้วว่าเพ่งเป็นอยัางไงคนที่ทำสมถะไม่ได้คือพวกที่ไม่รู้ว่าเพ่งเป็นอยัางไงไปลงมือทำสมถะแล้วก็เพ่งลูกเดียวพวกนี้ใช้ไม่ได้ตอนนี้เรารู้ว่าการเพ่งคืออะไรแล้วงั้นเราก็รู้ไปเห็นร่างกายมันเดินไปเห็นร่างกายมันหายใจไปดูไปเล่นๆไปอย่าไปคาดหวังว่าจะสุขจะสงบจะดีดูเล่นๆถือว่าเราทำเล่นกันแล้วกันเนาะ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 แต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็เลี่ยงซะแต่ถ้ายังเห็นกิเลสเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้นะเราก็ภาว น, นายอยู่ตรงนั้นแหละหลวงพ่อจะเน้นให้โยมดูตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะดูโทรสักรเบอร์สองเบอร์สองอยู่ข้างหลังเบอร์สองอยู่ข้างหลังเป็นทีมเสื้อสีสีอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้เขาเรียกสีอะไรคุณมนอย่างเนี้ยนี่หลวงพ่อเรียกถามคุณมนเพราะคุณมนเก่งง่วง นำ้ำมศการกับหลวงพ่อครับจิตขนาดที่พูดกับจิตก่อนจะจับไม่ไม่เหมือนกันดูออกไหมครับออมีตัวปลอมขึ้นมานะเ อ, อ๋ครับเ อ, อหรือเ อ, อเอครับว่าไปกออ็ขอากล่าวถึงพ่อส่งกันบ้านครับไม่ได้ส่งกันบ้านมานานมากมากเลยแล้วก็กลับไปบ้านก็ปฏิบัติในชีวิตประจำวันครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ทำงานแล้วก็ส่วนใหญ่ทำงานกับคนนะฮะแล้วก็จะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของจิตด้วยแล้วก็จะ เคยให้เขาไ ด, ได้ได้กลับมาดูจิตดูใจตัวเองนะระหว่างที่ทำไปเราก็ได้ดูจิตดูใจตัวเองไปด้วยเลยระหว่างทำเลยนะครับก็ยัง<อ>เห็นตัวปมไม่สิ่งที่เป็นปัญหาหลักของเอกตอนนี้นะคือคจิตไม่ตั้งมัน่นจิ ต, จตไม่มีกำลังรู้สึกไหมจิตไม่มีแรงรแรงไม่พอนะดังนั้นเราต้องทำในรูปแบบเดินจงกรมอะไรเงี้ยทำสม่ำเสมอเดินกลางคืนไม่ไหวก็เดินตั้งแต่ตื่นนอนเลยตื่นให้เร็วขึ้นหน่อยแล้วมาเดิน ทำให้ได้สักปาระครึ่งชั่วโมงนะมีวิเนในตัวเองเดินไปแล้วเห็นกายมันเดินเดินไปแล้วเห็นจิตแอบไปคิดอย่างนี้บ่อยๆตอนนี้อะไรๆก็รู้หมดแล้วนะสิ่งที่ขาดเนี่ยขาดแรงไม่มีแรงแรงไม่พอไปทำในรูปแบบเพิ่วร้อยสามกราบในวสการพระอาจารย์ครับกับผมพูดดังนิดเถอะโล่พ่อแกแล้วว่ะหูตึง กับผมฝึกปฏิบัติตามรู้ตามดูกายดูใจมาช่วงระยะหนึ่งหลังจากที่ส่งกันบ้านพระอาจารย์ไปครั้งหนึ่งเมื่อเรียนมีนาครับก็ตามรู้ดูกายดูใจว่าในตัวของตัวเองนี่บางทีจิตเกิดอกุศลวันหนึ่งต้องเป็นสิบครั้งโอ้เกิดน้อยนะบางทีก็ควรจะให้ได้นะนาทีหนึ่งสักห้าหกครั้งบางทีก็เยอะกว่านั้นครับเออต้องให้เยอะๆไว้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 ปฏิบัติอยู่สองวันปฏิบัติคืนแรกนั่งภาวนาแล้วก็อธิษฐานก็นั่งภาวนาแล้วก็อุทิศนกุศลไปพอนอนหลับตอนกลางคืนนะครับก็ฝันนิมิตเกิดขึ้นเอาใหม่ใกล้ๆปากนิดหนึ่งนิมิตเกิดขึ้นนะครับ เ, ออเรื่องเกี่ยวกับการดื่มสุราออแล้วก็เราดื่มสุราแล้ว ก, ก็ไปทำร้ายคนรอบข้างทำร้ายพ่อทำร้ายออออใครจนแบบ ให้เราเก็บความฝันนี้ไปพิจารณาในการนั่งวิปัสสนาญาติอีกรอบหนึ่งครับก็หนมหนมจิตเข้าไปพิจารณาว่ามันเป็นโทษอย่างไรนะเออ <นะ S 2> ดีใช่ได้ครับนะแล้วเนี่ยเวลาทุกวันทำนะก็ทำความสงบเข้ามาครบของคุณมันต้องเดินอีกแนวนึงนะ ค, รบงคุณทำความสงบมาแล้วก็พิจารณากายไปเรืพ่อยค้นคว้าอยู่ในกายเรืบ่อยเรื่อยเห็นจนกระทั่งใจมันไม่เอากายอะ่ะ ครกลายบางทีมันสลายไปแล้วมาที่ใจมาดูที่ใจต่อนี่ถ้าหมดเวลาที่จะทำความสงบพิจารณา ก, กายแล้วหมดเวลาแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยยืนเดินนั่งนอนนะคอยรู้ทันกิเลสที่โผล่ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเราไม่เอาความรู้สึกในสมาธิให้ติดออกมานะความนิ่งนิ่งซึมซึมอะไรในสมาธิต้องชิงไปเลยให้รู้ตัวให้เต็มที่แต่ตอนที่ไปนั่งวิปัสสนาที่วัดคลองเตาหลองมันจะมีสองฝากฝั่งครับซ้ายขวา ทางซ้ายนี่จะมีเสียงรถไฟผมก็พิจารณาว่าผมได้ยินเสียงทางนี้ทางซ้ายมีอะไรบ้างมีนกร้องมีอะไรแล้วก็ทางขวานี้ก็จะได้ยินเสียงป่าเสียงสัตว์ที่เขาทำร้องครับไม่เอาพิจารณาไม่เอาอย่างนั้นนะไม่เอาใช่ไหมมันออกนอกไปอย่าให้เกินกายของเราออกไปเวลาพิจารณาอะไรอย่าให้เกินร่างกายนี้ไปนะไปไปไกลไปไปพิจารณาทำไมนกเกิดตายตอนนั้นไปเกิดเป็นนกเลยแต่อย่างดีนะ ไปฟังรสไฟ tää ปาย حد ้วยไม่เกิดไปลดไฟออก้ความไปเป็นจิ้งจบแบงสาพในรถไฟ <c oughs> <c oughs> อย่าให้เกินล่างกายออกไปนะครับ、uh, 92แล้วมีออกันมาส่งการัานบ้านอยู่นะของคุณมันต้องใกล่ายคู่บาจารย์นิดหนึ่งภ า, นาแนว ���sis behind this 92ก็จะบาทสะการส اخ นคร่วงพ่อหนูได้มาส่งกันบ้าน hiiiiiiiiiioo org ش ่ะ topp ับปัส่างการบ้าน VS คะ่ แล้วหลวงพ่อก็ให้การบ้านให้ไปฝึกในระบบมาบ้างหนูก็เพิ่งจะไปฝึกมาในระบบมาได้ไม่กี่วันนี้เองอะค่ะแต่หนูก็ตามหลุดจิตให้เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปออค่ะก็เห็นการปล่อยวางอะไรเข้ามาก็รู้สึกปล่อยวางปล่อยวางค่ะมันวางของมันเองใช่ไหมใช่ค่ ะ, ะ<อ>ถ้ามันวางเองใช้ได้ค่ ะ, ะเริ่มมีแรงขึ้นหน่อยแล้วเนี่ยนั่งพักไปอย่างนี้แหละ นั่งพักไปนะให้ใจมันพักไปเฉยๆหลับไม่หลับไม่สำคัญค่ะหลวงพ่อแล้วหนูตื่นบ้างหรือยังคะตื่นสิภาวนาใช้ได้นะค่ะ ข, ขอบคุณมากค่ะไปทำอีกร้อยเจ็ดสิบหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับกับอาจารย์ครับมีโมหะไหมง่วงไหมมีครับเยอะเลยครับ<อ>สัปดาห์นี้เยอะมากครับทำไมนะว่าสัปดาห์นี้โมหะเยอะครับเอ อ, เ อ, อแล้วไงองกีกอะอ่าครั้งที่แล้ว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 ไม่ต้องกลัวแล้วไปเดินจบกลมได้แล้วถึงเวลาต้องทำแล้วเพราะแรงไม่พอแล้วจุดอ่อนของผมคืออะไรก็ได้บความต่อเนื่องขอบคุณครับเ <นะ S 1> จ็ดหนึ่งเอ๊ะสองหนึ่งสองหนึ่งอยู่นู้งโวนข้างหลังแม่ชีนู้นแม่ชีช่วยยกมือไว้ตอนแรงมันไม่พอนะแล้วต้องพักบ้างทำในรูปแบบสม่ำเสมอ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 กลับน ам สุกการข Verena:「จาก Lebenurs. ข้าดฟรรมกายรู้ใจใช้ได้ double-million HP how do you lemme know and realize? ใช้ได้หรืออย่ายังจะเน้นอะไรพิเศทไม่ اح fram ด, ด้วย Vadimadas ทีะ่บี ait more Xingowy minute your Events ใจเราขนาดนี้เป็นธรรมดาไหมไม่ธรรรมดา całe ถูกต้องมันเป็นยังไงตื่นเต้น so กดเอาไว้ดู่ออกไหมค่ะมันนิ่งกว่าท่��부ความเปล่าจริ หน้าที่เราก็แค่ตามรู้มันไปเรื่อยๆใจฟุ้งซ่านดูออกไหมเวลาใจมันไหลไปคิดโน้อนคิดนี้นะค่ะแม่ชีคอยไปดูหนะของแม่ชีมันฟุ้งเก่งใช่ค่ะใช่ไม่หลอกหลอกแล้วเวลาที่แบบมันแรงมากๆก็ดูไม่ทันคร่ะเป็นดูไม่ทันไม่ต้องกลุ้มใจนะดูไม่ทันเราก็รู้ไปว่าโอ้ดูไม่ทันแล้ว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 พวกเราชอบทำสมถะชนิดไม่ดีชอบไปทำสมถะชนิดทำให้ใจซึมๆเราคิดว่าซึมคือสงบอย่างนั้นใช้ไม่ได้เราพยายามมีสตินะอย่างเราหายใจไปเนี่ยคอยรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันหายใจเราก็รู้สึกตัวเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้นะจะได้แรงมากกว่านี้หน่อยแรงน้อยไป ใ, ใจมันฟุ้งเยอะขอบ<ะ>คุณค่ะเบอร์เจ็ดสิบสามยังดีนะแม่ชียังเห็นว่าประคองไว้ถ้าไม่เห็นตัวนี้ภาวนายาก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 ใจไหลไปคิดเรารู้ทันใช่ไหมไม่ได้คิดน่ะความโกลนก็ไม่เกิดขึ้นมานแต่บางที่ที่ทำงานน่ะคะ่ะมันต้องค่อนข้างคิดเยอะที่นี่ไม่เป็นไรนั่นเรื่องงานนะคือ <c oughs> แล้วก็คือหนูอะค่ะปฏิบัติในรูปแบบถุกเชา้าแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ค่อยปฏิบัติไม่ค่อยดีคือก็จะนั่งหลับถุกเชา้า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 วันก็นั่งบางวัน boundaries เต็มประดาทำ ม, มาอ่านๆพัศปิดกอะไรเง falls แต่ expands เ, เราเลือกเวล า, เราไม่จำเป็นต้องพอว bottle ตัวสตรงนะวันหละครังน ม, มีเวลาสองวันนั่งรถไปทำงา น, นถ้าไม่ได้ขับเองนะเราจะทำ演ศทようรายไปเลย maybe make some such thing มีเวลาเล็กๆน้อยๆ5นาที10นาทีก็ทำไปได้วยเข็บเล็กๆน้อย ๆ, ๆวัน1ก็เยอะนะ อยากให้หลวงพ่อช่วยดูนดหนิ้นึงว่าที่ปฏิบัติที่ฝึก <ใน S 1> อยู่<ล>ยดี<ล>ะนะใจเริ่มตั้งมั่นแล้วใจเริ่มมีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นแล้วสองปีที่ผ่านมา น, นี่เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะรูด้เนื้อรู้ตัวได้เยอะขึ้นแลวดูออกไหมใจเราสว่างกว่าแต่ก่อนดีแล้วช่วยหลวงพ่อช่วยแนะนำคุณแม่อีกนิดนึงได้ไหมคะแล้วคุณแม่อยู่ไหนอะเนี่ยค่ะคุณแม่ถูกบังครับมา้าหรอถามก่อนเอาไม้ไว้ให้แม่ไป กราบน้ำมนต์สการเจ้าค่ะหลวงพ่อถามหน่อยสิสองปีนี้เห็นว่าลูกเราเปลี่ยนบ้างไหมเปลี่ยนเจ้าค่ะดีขึ้นหรือร้ายลงอะดีขึ้นแต่ก็ยังมีร้ายอยู่บ้างโอ้โหถูกต้องเลยถ้าบอกว่าลูกเราดีอย่างเดียวเนี่ยแสดงว่าแม่อคติใช่ค่ะแล้วโยมภาวนาพุดโทโธอยู่ตามลมหายใจเจ้าค่ะ แตก่บางทีก็ถ้าคิดมากๆก็จะพูดธอ مش ิง a เลยอย่างนั้นเร ienne กึน siamo ผู้ธอบาหายใจไปนะเราพอจิตสงกเรารู้ว่าจิตสงกบางวันจิตฝูงส del even Stop เรากรว่าจิตฟูงส del บางทีเราอยู่ในชีวิตตร kaikki id ของที illumCalmam ักก็คอยดูจิตไปด้วยนะ <Okay. S 2> เช่นเรานี่ลูก Weekly ร่ upunIP or Running น่ารักเนยใจมันยินดีปอใจให้มา วันนี้ลูกดื้อหน้าตีรู้สึกโมโหแล้วรู้ทันว่าโมโหหัดดูใจตัวเองบ่อยๆในชีวิตประจำวันนะเมื่อกมาฐานเดิมก็ทำไปเลยไรื่อยๆเจ้าค่ะอ่ะต่อไปเบอร์สิบเก้ากราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วหนูมาส่งกันบ้านหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่อเมตตาว่าสติเกิดแล้วแล้วก็เมตตาให้กำลังใจว่าเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะนะแต่ก่อนฟุ้งอย่างแรง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 สติเขาเป็นอนัตตานะทั้งๆ ท, ท, ที่ภาคเปลี่ยนเต็มที่เหมือนกันทุกวันเนี่ยบางวันสติก็เกิดบางวันก็ไม่ยอมเกิดเพราะมันเป็นอนัตตาไม่ใช่เราบังคับได้ของคุณรู้สึกไหมบางวันสติเขาไม่มาใช่เป็นเรื่องปกติค่ะเอาข้อสองข้อสองเออหนูฟังที่หลวงพ่อเทศที่สาราลุงชินแผ่นล่าสุดนะคะที่หลวงพ่อเทศถึงเอาว่าชาติสิทธิ์นะคะที่ว่า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 ด้วยความกลัวนะคะว่าหนูยังอยู่ในร่องในรอยอยู่หรือเปล่านะคะช่วงในี้ใจมันอ่อนแรงไปนิดนึงน ะ, ะมันนิ่งเกินไปประคองให้นิ่งมากไปปล่อยให้มันเคลื่อนไหวกว่านี้กดมันแรงไปรู้สึกไหมมันซึมไปนิดนึงค่ะเ <นะ S 1> บมอร์หกห้าหอหกห้านี้มาจากหาดใหญ่นมันสการค่ะ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 บางทีนั่งๆอยู่สติมันก็ไปรู้ว่าร่างกายมันกับลางหายใจ Vorteil แต่ว่าสงสยวาย że Iggy 你 pissaha medekat mevan Thing achieve is important- what's wrong? ไม่เพงหรอก้ ông ไม่เพร้ Lyn tuh Mai เพร้ kicking. WSure W irrigation. Professor right is assim. 踏 quater whether it's wrong. Due Todo. Doing outside do that オスキ leopard 踏 quả you denke on the العالم He becomes also to think critically iyorsun God's heart is dishing ถ้า Κ? теiki まして ices weird? No'jaitis badbe mourn í ну Not all Ka. หนูก็ตกใจหนูก็เห็นความตกใจมันก็ขาดลงเลยแล้วจิต <รถ S 1> มันก็ไม่ไม่ขาดมันมันหายไปอะไรเนี้ยค่ะมันหายแล้วก็จิตมันก็ถอดมาเห็นร่างกายเราขับรถอยูอ่แล้วมันย้อนไปดูใจอีกทีมันนิ่งสงบมากเลยอะค่ะปกติถ้าเกิดเหตุการณ์เราถือขวัญเราจะแบบมีใจหายใช่ไหมคะนั่นแหละเราภาวนาจนสติมันอัตโนมัติแล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะจิตตั้งมั่นเลยค่ะท่านหนูตายตอนนั้นปลอดไภัยไหมคะ่ะปลอดภัย 何が起き て, ている の,、ねの Point、か เมื่อก่อนไม่มีสติเดี๋ยวนี้สติเกิดเมื่อก่อนฟุง้งซ่านเดี๋ยวนี้ใจตั้งมัน่นดูออกไหมดูออกเมื่อก่อนนะไม่เคยรู้เรื่องกายเรื่องใจไม่รู้เรื่องาศาสนาเลยตอนนี้รู้กายรู้ใจแล้วรู้แล้วใช่ไหมว่ า, าศาสนามีประโยชน์แค่ไหนก็ยกความดีให้เบียร์ค่ะเป็นผู้ชักนำโอ้ดีน ะ, ะลดความทั้งทีลดเฉียวทั้งทีแล้วเกิดสติดีอ้างเบอร์สิบแปดอยู่ทางนี้ทางนี้ ในมรดกการหลวงพ่อค่ะมีปัญหาว่ามีอยู่สองครั้งอะคะ่ะที่เคยเห็นตัวเองเป็นของแปลกประหลาดะคะ่ะครั้งแรกสุดเนี่ยตอนเช้าเลยค่ะนั่งในห้องน้ำแล้วเห็นตัวเองเป็นเอเลียนมันคอ ย, ยาวๆมันน่าเกลียดค่ะแต่ครั้งแรกนี่ไม่เป็นไรนะครับเพราะยังรู้สึกว่ามันตลกๆอยู่ออพอครั้งที่สองเนี่ยเห็นตอนเช้าอยีกเหมือนกันค่ะกำลังแปรงฟันอยู่แล้วก็เห็นหน้ามันมีช่องเป็นปากเป็นรูจมูกตาปัญหาคือว่า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 ให้ไปรู้ทันจิตจิตกลัวขึ้นมารู้จิตกลังวลว่าจะไปเห็นอีกก็รู้เห็นบ่อยๆแล้วก็ชินไปเองเหมือนอย่างภาวนาแล้วผีหลอกเนี้ยนะถามหลวงพ่อว่าทำไงจะหายกลัวเขาบอกมันหลอกบ่อยๆก็ชินไปเองแหละ <c oughs> อย่างนี้มันเริ่มเห็นรูปแล้วอันนี้มันหลอกตัวเองค่ะ <c oughs> ไม่ไม่ลหลอกหรอกมันที่ผ่านมาเนี้ยเราหลอกตัวเองนะว่าเราเป็นมนุษย์จริงๆเราสวยเรางามนี่จมกูกนี่ปากดูเข้าจริงสิเป็นตัวอะไรก็รู้เหมือนถุง เหมือนถุงอันหนึ่งนะมีรูทะลุทะลุอยู่เยอะแยะเลยเคยสมัยพุทธการนะเวลาพระอรหันต์ท่านคุยกันเนี่ยท่า น, นก็พูดถึงตัวท่านเองบ้างพูดถึงคนอื่นบ้างอยัางมีผู้หญิงคนหนึ่งนะมาจีบพระอรหันต์หลวงพ่อจำไม่ได้ว่าท่านชื่ออะไรมาจีบท่านท่านก็บอกว่าน้องหญิงเราไม่มีราคาหรอกเพราะเราเห็นเธอเนี่ยนะเหมือนถุงหนังใบหนึ่ง มีรูรั่วใหญ่ๆอยู่เก้ารูมีรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีของโศคลอกไหลออกมาเป็นนิดนั่นเห็นของจริงอันนี้นะนั่นที่คุณภาวนาคุณเริ่มเห็นแล้วเห็นไหมมันมีรูรั่วอยู่นั่นแหละไปภาวนาอีกหลวงพ่อคะข่าวก่อนเมื่อสามเดือนที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตไม่ตั้งมั่นตอนนี้ดีขึ้นไหมคะดีขึ้นเยอะเลยต้องปฏิบัติในรูปแบบเพิ่มขึ้นไหมคะในรูปแบบทำไปสม่ำเสมอทำสม่ำเสมอไม่ได้ภาวนาเพื่อให้จิตดีจิตสุขเยี่ยงสงบ ภาวนาเป็นเครื่องอยู่เครื่องเล่นไปเท่านั้นนะก็จิตมันจะมีแรงมันจะเริ่มเห็นความจริงของกายของใจเบอร์ร้อยสี่น้ำมาสการนะคะเมื่อเมื่อสักสองสัปดาห์มานี้นั่งไปแล้วก็มองดูข้างในเหมือนเป็นโพลเสร็จแล้วก็เห็นเป็นสิ่งหนึ่งก็ ラクサナカマンローピンセンサワー、ラクミキャミカン、ラクド、モンド、カオパド、セティカバー、エネメチャイラウニラクハイパイ、ラクア、メサバピン、キャンピング、トロール、プラウンド、メディティトロール、ラクア、メディティトロール、ラクア、メルサバティラウニー、キャミー、ファントマー、ラクア、レティネーアナンカ、ラプロー、キャンピー、ド、パイル、 แต่นี้เมื่อกี้เนี่ยเมื่อเช้านั่งรถมาก็รู้สึกว่าหนักแต่พอไปนั่งทานอาหารเมื่อกี้นี่โยคะก็มองดูภูเขาไปมองดูมันก็โลง่งโล่งก็ดูจิตตัวเองบอกเอ๊จิตที่มันเป็นส่วนหนึ่งอยู่ข้างหน้าสว่างใสเบาแล้วก็ดูว่ามันก็มีไม่ไม่ใช่นั่นมีสภาวะให้เห็นอยู่ว่ามีการไหลไหลายเวียนเวียนในความสว่างนั้น แต่ก็มองย้อนไปข้างหลังอีกหน่อยอก็เห็นเป็นเป็นสีสีเข้มกับเดิมแต่ว่าก็นั่นก็บอกว่าอ๋อนั่นเป็นรูปอันนี้เป็นนา ม, มแต่นี่ไม่ทราบว่าที่เห็นนี่ถูกหรือผิดเจ้าคะเห็นถูกนะแต่เห็นก็เห็นไม่เห็นก็ช่างมันนะเจ้าคะสำคัญก็คือกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันจิตใจไปทำงานอะไรคอยรู้ทันนะเจ้าคะฝึกการตรงนี้และโยมยังติดสมถะอยู่เปล่าเจ้าคะไม่ติดนะ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 เห็นครับแต่ว่าเราเราจะรู้สึกไม่ชอบเราจะไม่ชอบแค่มันเพราะรู้แล้วไม่เป็นกลางคนนะให้รู้ทันว่าไม่เป็นกลางครับอันแรกเลยรู้สภาวะที่เกิดขึ้นอันที่สองเมื่อมีสภาวะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตอินดีให้รู้ทันจิตอินร้ายให้รู้ทันของคุณอันนี้ก็จิตอินร้ายไม่ชอบครับให้รู้ลงไปอีกครับอยากจะขอการบ้านหลวงพ่อแค่นี้ก็เยอะแล้วนะทำเท่านี้เป็นพระละหันได้เลย 岡、Langan、い a n p a t i Basi, Durandipan, Manaha, Tankundi, LaPonsiah, Kupundi, who see Duranduhin, but Sonia Jabidu, Akan Hongjit, Tawat, Saturday, Totin, Nu, Mikoyen, Tawat, the Hin, the Gap, Kan Akan Hongjit, Makwa, Loko, l u z u q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 มันสั่งได้ที่ไหนแล้วแล้วข้อเสียคือหนูเห็นชัดมากคือหนูเนี่ยขาดวินัยก็ความเพียรค่ะหนูขออนุญาตพูดความจริงเพราะว่าหนูเห็นตัวนี้จริงจริงอะหลวงพ่อถูกต้องแล้วค่ะแล้วเออมีข้อผิดพลาดที่หนูควรแก้ไขอะไรไหมเจ้านั่นแหละดีมากเลยนะที่รู้จุดอ่อนของตัวเองได้ค่ะนับปฏิบัติเนี่ยพระเจ้าถึงบอกว่าเตือนตนด้วยตนเองเรามีความแยกคลายในการสังเกต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 ขยับอย่างนี้กั บ, ก, บการเดินจงกรมก็เหมือนกั น, นทำเป็นเครื่องอยู่นะไม่ใช่ทำโดยคาดหวังว่าจะรู้จะเห็นอะไระขยับเล่นๆไปนะพอมีอะไรผุดขึ้นมาก็ค่อยรู้เอาไม่ใช่ขยับไปแล้วรอดูถ้ารอดูก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเพราะมันเป็นการไปดักเอาไว้ก่อนแล้วหนูถามข้อสุดท้ายคือสติตัวจริงหนูเกิดหรือ ย, ยังอะคะหลวงพ่อเกิดมาช่วงหนึ่งแล้วเกิดตอนนี้หมดแรงแล้ว ไปทำตามรูปแบบหน่อยหมายถึงหนูตื่นแล้วอะคะหลวงพ่อตื่นสิห <laughs> มายถึงใจหนูตื่นนะคะ <laughs> แต่มันก็ตื่นเป็นคลาล์คลาล์นะ อ, อย่างตอนนี้มันไม่มีแรง<ค>ไปทำในรูปแบบนะหลวงพ่อแต่ก่อ<ค>นก็เดินจงกรมนะเดินแล้วเมื่อยเลยในที่สุดเราเดินด้วยนิ้วแ <laughs> ค่แค่ขยับนะแค่นี้ยังเมื่อ ย, อยเลยขยับนี่ ママサカーは、ああ、そういうことです。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 เราก็จะขาดระเบียบพี่นายอะค่ะแบบ、mm hmm. เหมือนตั้งแบบว่าตั้งสัจจะไว้ว่าจะแบบสดมนอย่างเงี้ยก่อนนอนก็ก็จะทำไม่ได้ต้องพยายามทำให้ได้ถ้าเราตั้งสัจจะแล้วเราทำไม่ได้นะใจจะยิ่งอ่อนแอลงไปเรื่อยยิ่งถ้าเราอ่อนแอบ่อยๆนะชาติน่ายิ่งอ่อนแอกว่านี้อีกการภาวนาจะยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งกว่านี้มันเหมือนเราตกน้ำอยู่กลางทะเลน ะ, ะว่ายเข้าฝั่งเนี่ยคลื่นมันจะตีเราออกจากฝั่ง ถ้าเราขี้เกียจนะก็ถูกพัดออกไปไกลไว่ายน้ำยากขึ้นไปอีกต้องอดทนนะลุยเข้าฝั่งให้ได้พักเพียรเข้าร้อยห้าร้อยห้าต้องสู้นะไอ้หนูร้อยห้าการรั บ, บสการครับหลวงพ่อขอส่งรายการบ้านในรอบสามเดือนนะครับตอนแรกนี่คือตอนเดือนแรกนี่รู้สึกว่ามีสติดีครับแทานแต่พอเดือนที่สองมันล้มไปเลยแล้วก็รู้ไม่แทนพอดีมีญาติทำบอกว่า จริงเรากำลังติดดีอยู่อพอมันไม่ดีเราก็ดินด้นดิน้นดิ้นคราวนี้เนี่ยหลังจากเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพอเริ่มกลับมาปฏิบัติเนี่ยมันเริ่มเพ่งครับทา่านเพง่งเพง่งแล้วจนผมปล่อยปล่อยสุดๆเลยคือนอนแบบเหมือนกับนั่งดูมันไปเรื่อยๆโดวยแบบปล่อยมันก็เพง่งแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็โมหะมันเข้าจิตมันก็ลงผวาง แล้วไม่เหมือนสติมันเกิดขึ้นเองมันก็ปุ๊บขึ้นมาแล้วมันก็ลงเข้าไปอีกแล้วมันขึ้นมาวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยครับใช่ได้แล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้กําลังฝึกรู้สึกตัวอยู่หรอครับท่านรู้สึกตัวนะที่ภาวนาช่วงเนี้ยดีนะครับมันเหมือนจะรู้สึกกายมากกว่ารู้สึกจิตหรือเปล่าไม่จำเป็นไม่ต้องรู้สึกจิตรู้สึกอะไรก็ได้แต่ว่าทุกสิ่งที่เราไปรู้เข้าล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์เท่าเท่ากันทั้งนั้นครับผมหลวงพ่อมีคำแนะนำอะไรอื่นไหมครับก็รู้สึกไปนะรู้สึกกายบ่อย เขาคุณเหมอก็รู้กายแล้วล่ะรู้กายไปแต่อย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งตอนนี้มันไปเพ่งอยู่เบอร์สี 45, ว่สิบห้าคนน่าดีนะเบอร์สี 45, ่สิบห้าคนนี้ชื่อสาวชื่อดีนะอายุแปดสิบก็ยังสาวแต่ปีใหม่ค่ะหกเดือนเผาก็สำรวจตัวเองอะค่ะที่หลวงพ่อเตือนอยู่บ่อยๆให้ดูหน้าที่อะค่ะเผาดูหน้าที่ทางโลกได้ดีขึ้นค่ะ แต่ว่านักที่ทางธรรมจะรู้สึกว่าเขาไม่เต็มร้อยอะค่ะได้ถ้ากิบเปอร์เซ็นอะรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามันดับไปแล้วที่คิดว่าจะบอกหลวงพ่ออะไรนะมันดับไปที่คิดว่าจะบอกหลวงพ่อค่ะมันมันเหมือนไม่ไม่เอาจิงอะค่ะยังไม่เอาจิงใครรู้สึกนะร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวนะรู้สึกมากมากเลย <c oughs> ใจเราก็มีเรื่องมีแรงอยู่แล้วแต่ว่าใจมันไม่ยอมเดินปัญญา มันไปว่างๆโล่งๆสบายไปเฉยๆพยายามมาเคลื่อนไหวร่างกายแล้วเห็นในร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์นะนี่ทุกน้นทุกนี้ไปเรื่อยๆจิตใจก็เคลื่อนไหวไปมาเนี่ยก็เห็นมีแต่ความทุกข์มันจะไม่เกลียดคลานเราเดินทำรูปแบบได้ต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะได้ได้ช่วงนี้ถ้าจะรู้สึกว่ากลัวแล้วก็ว้าวเวยอะค่ะว่าเราไม่เอาจริงนะทำก็ไม่งั้นนานไปเราจะยิ่งว้าวเวยเพราะเพื่อนรับรับตัวเราเขาภาวนาดีขึ้นนะ แล้วเราวาวี hh แต่สาวดีขึ้นเยอะแล้วนะแต่ว่ามันไม่ยอมเดินปัญหยามันไปว่างๆว่อ ย, ย school นสับมาจาการหลวงพอว่อซ์ด่ саite เครื่อยากให้หลวงพ่อเมตราชี้ดูสภาวะเนี่ยคะที่ทำอยู่ก็ใช้ได้แล้วน่ะใจมันตื่นเข้อนมาแล้วก็ค่อยดูไปดูออกไหมออกแล้วไม่ต้องให้ชี้แล้วอะไรเกิดขึ้นรู้ลงปัจจุบัน รู้ด้วยความเป็นกลางถ้าใจไม่เป็นกลางยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันอย่างตอนนี้ไปกดไปแล้วไปกดพร้อมกับการหายใจเข้าหนึ่งครั้งเห็นไหมนึกออกเห็นไหมได้ที่เลยปล่อยซะใช้ได้นะภาวนาเก่งอยู่ที่ไหนนะอยู่เอ่อไปอยู่ทางบ้านมูลนิธิบ้านอาลีเลยค่ะเข้าทางกลุ่มบ้านอาลีนะคะดีใช้ได้ภาวนาเบอร์หกหก อยู่ข้างหลังข้างหลังก า, ก, การนมัสการหลวงพ่อนะครับเพิ่งเคยถามครั้งแรกนะครับก็ฟังซีดีหลวงพ่อนะฮะรู้สึกว่าเพิ่งเคยมาเหรอเพิ่งเพิ่งเคยถามครั้ง<อ>แรกนะครับที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วล่ะใช่มันก็ตื่นขึ้นมาน ะ, ะจะข อ, อะจะข อ, อะวิหารธรรมทีท่เหมาะกับฉลิทธ์นะครับแล้วก็ขอการบ้านจากหลวงพ่อแค่ดู<อ>ไปแหละเราถึงจุดนี้นะบางทีเราก็รู้กายบางทีก็รู้จิตไป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 Здоровущ breeding म tang, your ändu, a snap, a Tamam. เวลาทีมน cko ร том มาก돌 little to say work being ugly but never done, porta SomehowELL you should believe it's a bit like not to SW acceptance before. คือความรู้ ө � evidenced by the last time of these people? เจ้าไ identified people are a bit full of ten pations. นั่นต้องกระดุกระดิกรู้สึกที่กายนะคุณหมอเนี่ยสัมผัสนวดตัวเองอย่างเงี้ยรู้สึกตัวให้ชัดชัดขึ้นหน่อยความรู้สึกตัวมันอ่อนไปค่ะนะประสานส่งกันบ้านขอบคุณค่ะว่าไปจิตขณะนี้เป็นยังไงมันอยู่ในสภาวะอะไรก็ไม่ทราบคุณพ่อรู้ไหมว่าติดพบอันหนึ่งอยู่มันเบาๆนวลๆอันนี้ที่ เ, ออเห็นอยู่นะครับ เห็นไหมแววๆนวลๆอย่างเดียวไม่ใช่หรอกหนักๆด้วยมัวๆด้วยมัวมัวเห็นครับนี่มันมีโมหะนะจิตมันมีโมหะอยู่โมหะเนี่ยพอมันละเอียดนั้นมันจะสว่างเป็นเรื่องแปลกนะพวกเราฝึกหยาบหยาบตอนเห็นโมหะมันจะมืดมืดโมหะเนี่ยพอภาวนาไปเรื่อยๆแล้วโมหะจะใสดูยากนึกว่าดีคือคือรู้ว่ามันติดสภาวะอยู่แต่ว่ามันไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร เออไม่จำเป็นต้องรู้ว่าคืออะไรรู้ว่าติดอยู่ก็พอละใจเรามันนิ่งเกินไปไปเกาะมันนิ่งๆนั้นลืมเรื่องปฏิบัติก่อนลืมเรื่องปฏิบัตินะแล้วออกมากระทบอารมณ์อย่างเงี้ยให้ใจมันเคลื่อนเริ่ม เ, เ, เริ่มหลุดออกมาแล้วรู้สึกไหมรู้สึกครับเออแค่นี้ก็เริ่มหลุดแล้วเห็นไหมพอเริ่มหลุดปุ๊บทะลึ่นปั๊บเลยรู้สึกไหม <laughs> อ่าถ้าวันไหนไม่ทะลึ่นจำไว้เลยนะติดละอ้าว เ, เบอร์เบอร์อะไรเดียว หลวงพ่อข้าพระขอถามหน่อยถ้าเกิดมันจะเดินปัญญานี่มันต้องเดินเองใช่ไหมคะใช่แต่เราอย่าไปน้อมใจให้นิ่งไว้ทำตามรูปแบบไปถ้ามันจะเดินมันเดินเองใช่ไหมคะใช่ใครรู้สึกกายใครรู้สึกใจนะอย่าไปให้มันมุกโล่งๆว่างๆไปเห็นไหมประสานตัวจริงต้องทะเล่นนั่นจำไว้นะถ้าไม่วันไหนไม่ทะเล่นอะติดแล้วล่ะต่อไปเป็นหมายเลข950เป็นหมดเวลาละนะอาเชิญเชิญกลับบ้าน แฟนเบียร์อย่าไปเพ่งนะอย่าไปกดเอาไว้ให้นิ่ง